จะรื่นพลสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้พวกเราก็เจอกันในรูปแบบของความเป็นพระพุทธศาสนานะเจอกันในรูปแบบของศีลของธรรม ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษของพวกเราพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าวันพระบันศิลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นวันธรรมะสวรรค์หม่เป็นวันที่เราจะได้ฟังธรรม แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวันพระเลยเป็นวันพิเศษของพวกเราคิดกันขึ้นมาเองเรื่องของคำว่าศาสนาเนี่ยเราได้ยินตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยทำความเข้าใจไม่เคยศึกษาการฟังธรรมนี่มันก็ฟังไปเรื่อยๆนะ ไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาเนี่แหละเมื่อเช้านี้พวกเราก็มีโภชนะอาหารมาทำบุญทำทานตอนเที่ยงก็เป็นโอชารสทางใจก็คือธรรมะนะธรรมะนี่มันเป็นสิ่งที่จะมาคู่กับใจ ธรรมะเอาไปใส่จานได้ไหมไม่ได้เอาเข้าร้านอาหารได้ไหมไม่ได้ต้องเอามาตั้งไว้ที่ใจเพราะฉะนั้นศาสนานี้เฉพาะพวกเรานี้ก็เจอกันตั้งแต่วันเกิดแต่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าศาสนานี้คือเรื่องของใคร บางคนเน่ความเป็นศาสนาอยู่ในทะเบียนบ้านอย่างเดียวจนตายไม่เคยเข้าวัดเลยก็มีนั่นเาความไม่รู้ที่จริงแล้วเราควรจะศึกษาให้เข้าใจนะที่พระพุทธเจ้ามาเนี่ยพระพุทธเจ้านี้คือใครแล้วมาทำไม มาหาใครมาแล้วมีมีพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วเพื่ออะไรพวกเราไม่ค่อยได้ศึกษากันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกวรจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าเป็นพระโพธิสัตว อยู่นานแสนนานนะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนกันกับพวกเราแต่การเกิดการตายของพระโพธิสัตว์นี่เป็นการเกิดการตายควบคู่กับความต้องการมีเจตนาอยู่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าการเกิดการตายของพระโพธิสัตว์ ถึงได้ถือได้ว่าเป็นลักษณะเป็นการเกิดการตายในลักษณะทัศนศึกษาแต่ละภพปราชาเพื่อที่จะเอาความจริงมาฝากพวกเราสุดท้ายก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ด้วยอำนาจเป็นพระโพธิสัตว์อันยาวนานก็เลยเกิดเป็นบุรุษที่ได้ฉายานามบ่าผู้รู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งขนาดไหน สามารถที่จะเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้แจ้งกันหันไหนพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกนะสามารถที่จะดีดแคตตาล็อกของวัตจักรนี้มาให้เราศึกษาพอสังเขตนะ ว่าพบนั้นเป็นยังไงพบนี้เป็นยังไงที่ไหนตรงไหนของวัตตะพระพุทธเจ้าชี้ให้พวกเราดูแล้วก็บรรยายให้พวกเราได้ยินได้ฟังทั้งหมดอันนี้คือพระพุทธเจ้ารู้การเบียนไ่ายตายเกิดของสัตว์โลกพวกเรามาจากที่ไหนมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าจะไม่รู้ไม่มีเมื่อเป็นมนุษย์แล้วออกจากเมืองมนุษย์ไปจะไปที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีแต่สาคัญที่สุดคือตัวของเราไม่รู้เลือกเลย่าจะไปไหนมายังไงก็ไม่รู้อยู่ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็จะ ไปยังไงก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาหาพวกเราด้วยความบริ ส, สุทธิ์ใจบริ ส, สุทธิ์ใจขนาดไหนคำว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส สันดานและวาสนาขาดสะบั้นลงหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจพระองค์ท่านไม่ได้มาพร้อมกับความแฝงด้วยกิเลสตัณหานะพระพุทธเจ้ามาเจอพวกเราด้วยความบริสุทธิ์ใจมาแล้วยังไม่พอ ยังมีของมาฝากพวกเราของฝากจากพระพุทธเจ้าก็เป็นของที่มีความบริสุทธิ์มากคือพระธรรมมอบให้พวกเราด้วยความเมตตาสงสารมอบพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระองค์ให้กับพวกเราด้วย ซึ่งตรงตาทั้งประเทศนะเมื่อกี้นี้พอเราก็จะก็คงจะได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นของดีมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆในโลกถือว่าพวกเราได้รับสิ่งสำคัญจากพระพุทธเจ้านะด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ทำไม พวกเราก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะพวกเราไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้ารับเอาธรรมะของพระองค์ท่านมาแต่ก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าขาดการปฏิบัติธรรมจิตใจก็เข้าไม่ถึงธรรม พวเราก็จะไม่เจอความสุขที่แท้จริงนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกตรัสเอาไหมว่ามัตะจักวัตบนถึงจะมีถึงสามสิบเอ็ดภูมิก็เป็นสถานที่เกิด ตายของสัตว์โลกเท่านั้นใครไปเกิดอยู่พบใดภูมิใดอย่าได้คิดเลยว่าท่านจะไปเอาเงินเอาทองไปเอาวัตถุสิ่งของจากพบนั้นไปพบนี้ได้ท่านไม่มีสิทธิ์เลยนะท่านมีหน้าที่ไปเกิดไปตายอย่างเดียวแม้แต่เมืองมนุษย์ ท่านเกิดขึ้นมาแล้วมีวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองมากมายกายกองอำนวยความสะดวกสบายให้มีความสุขความสบายแต่อย่าได้คิดเลยชั่วโ ม, มงสุดท้ายที่ท่านจะออกจากเมืองมนุษย์ท่านจะหยิบช่วยอะไรไม่ได้สักชิ้นเดียวเลยต่อให้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ มีทุกสิ่งทุกอย่างตามความปรารถนาะวิธีวินาทีสุดท้ายที่จะออกจากเมืองมนุษย์ก็จาเป็นต้องเสียสละไปทิ้งไปไม่มีใครเอาอะไรได้สักชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละภพละภูมิเรามีหน้าที่ไปเกิดแล้วก็ไปชมหมดอายุไขก็คือตาย ต่อให้ท่านไปเป็นอินเป็นพรมเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะขนของอะไรลงมาได้เลยเพราะเป็นที่เกิดตายของสัตว์โลกเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะอำนวยความสุขความสบายให้กับท่านแต่ละภพละชาติก็คือพระธรรมท่านอยากไปเกิด เป็นเทวดาใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกนเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเลยท่านอยากไปเกิดที่พมรโรคใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีปัญหาเลยหรือว่าท่านต้องการอยากจะเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าก็ยังบอกอยู่คำเดียวว่า ไม่มีปัญหาเลยขอให้ท่านทั้งหลายนั้นสร้างเหตุให้ตรงแล้วก็สร้างเหตุให้พอถ้าสร้างเหตุตรงแล้วสร้างเหตุพอแล้วท่านไม่ต้องไปไหว้วอนอธิษฐานกับใครที่ไหนเลยเหตุกับเหตุที่เราสร้างมาพอแล้วนั่นแหละจะเป็นผลส่ง เราไปเองพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพวกเราสร้างเหตุกันพอหรือยังเราอยู่ไม่ได้นะะเมืองมนุษย์เราอยู่ไม่ได้ต่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการท่านก็ยังไม่ได้เจอความสุขที่แท้จริงเลยนะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อิงด้วยวัตถุใดๆทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งนั้นแล้วเวลานี้พวกเรากำลังต้องการอะไรต้องการจะอยู่ในเมืองมนุษย์เดอ จะ่คิดว่าเราจะอยู่ได้ถึงร้อยปีน้อยคนที่สุดถ้าท่านไม่สนใจกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียจุดเดียวต่อให้ท่านอยู่ในเมืองมนุษย์สักสองพันปีท่านก็เป็นคนสำคัญไปไม่ได้ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นพวกเราต้องการอะไรพระพุทธเจ้าอุตส่าห์กรันกรองจนแน่ใจแล้วว่าไม่ได้เจือปนกับสิ่งที่เป็นทุกข์แน่นะสิ่สมาธิปัญญาเนี่ยถึงเอามาฝากพวกเราเมื่อพวกเรารับแล้ว ไม่สนใจที่จะสร้างเหตุตรงนี้ให้เกิดขึ้นรอที่จะรับผลอย่างเดียวอย่าได้คิดเลยนะเหตุกับผลที่ต้องสมดุลกันผลถึงจะเกิดขึ้นมาตามนั้นสินสมาธิปัญญาหรือว่าศาสนาเนี่ยเป็นของสาธารณะ ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยทันสมัยอยู่เสมอเดี๋ยวนี้พวกเราไปเอายุคไหนสมัยไหนมาใช้กันสองพันหกร้อยสองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดปียังทันสมัยอยู่เสมอแล้วพวกเราไปเอายุคไหนสมัยไหนมาใช้ ท่านสมัยอยู่เสมอใช้ได้ทุกการทุกเวลาไม่เลือกชาติชั้นบรรณะไม่กางกั้นด้วยเพศด้วยวัยความเป็นสาธารณะของาศาสนาถึงขนาดนี้หละเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดขึ้นมาในเมืองมนุษย์มีสิทธิ์เท่ากันมีสิทธิ์ที่จะไขว้า เอาความเป็นศาสนาหรือว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่ากันทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่เอาตรงนี้อะไรจะไปช่วยเราได้หลังชีวิตหลังการตายอะไรจะมาช่วยเราได้เดี๋ยวนี้ในเมืองมนุษย์เนี่ยเงิน มีอำนาจมากที่สุดชีวิตหลังการตายอะไรจะมีอำนาจมากที่สุดเงินเนี่ยอำนาจเขาจะหมดไปพร้อมกับลมหายใจชีวิตหลังการตายเงินไปช่วยไม่ได้นะมันมีแต่บาปกับบุญเพราะฉะนั้นพวกเรา อย่ามววแต่พากันพวักพบงกับโลกจนลืมใจนะใจเป็นสิ่งสำคัญใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกรู้ไปหมดความจำเป็นของร่างกายพระองค์ก็รู้ความจำเป็นของจิตใจพระองค์ก็รู้ถึงได้มาเอาธรรมะข ที่อันบริสุทธิ์มาฝากพวกเราธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นคือสินสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าจะแบ่งออกเป็นสองขยักนะขยักที่หนึ่งนั้นคือทานศินภาวนาพระพุทธเจ้ามาถึงเมืองมนุษย์อ๋อเมืองมนุษย์มันมีมนุษย์สองจำพวกเนาะจําพวกหนึ่งเขาไม่อยากไปพระนิพพานเลยเขาอยากท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรอันนี้แหละ พระพุทธเจ้าก็เลยมาบัญญัติว่าเออถ้าเขาไม่อยากไปพระนิพพานให้เขาให้ทานมากๆแล้วคอยมารักษาศีลแล้วคอยมาเจริญสมาธิภาวนาสักนิดหนึ่งเขาก็จะท่องเที่ยวในวัตจักรอันนี้ไม่มีทุกข์มากเกินไปสําหรับพวกผู้ที่จะไปพระนิพพานพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญา สินสมาธิปัญญานี้เป็นนามธรรมไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนสักสลึงเดียวถ้าเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ลงทุนสักสลึงเดียวแค่มีศรัทธาแล้วก็กำหนดเข้าไปเท่านั้น ผู้ที่จะไปพระนิพพานคือให้ถือหลักของสินสมาธิปัญญาผู้ที่ไม่เอาศาสนาเลยก็คือผู้ท่องเที่ยวไปตามยะถากรรมพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพวกเราสติก็ดีนะปัญญาก็ดีจิตใจก็ดี สมควรแล้วที่จะรู้ทำเห็นทำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เดี๋ยวนี้ติดขัดอยู่ที่ไหนรู้ไหมติดอยู่กับหน้าที่การงานติดอยู่กับฐานะความเป็นอยู่ไม่ค่อยประคับประคองกิจใจอันนี้ให้ได้รับ อาหารที่เป็นโอชารสทางใจเลยเมื่อเช้านี้พวกเรามีหลายรสชาตินะอาหารมีเยอะเลยนั่นคือของร่างกายอาหารทางใจอันที่มีโอชารสมากที่สุดคือพระธรรมแต่เดี๋ยวนี้เราให้อาหารใจที่แบบผิดๆกัน เรียงใจไม่ถูกทางเลยปล่อยให้จิตใจไปหาเสพน้ําโครนน้ําคำตามยถากรรมไม่ค่อยจะรักษาเลยอาหารอันนั้นยิ่งเสพยิ่งเป็นพิษยิ่งเสพยิ่งหิวยิ่งเสพยิ่งไม่อิ่มไม่เต็มเราให้อาหารใจกันไม่เป็น สิ่งที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้พวกเราเนี่ยเป็นโอชารสทางใจนะแต่พวกเราไม่เคยปรุงแล้วก็ไม่ได้ริมรสชาติของอาหารที่พระพุทธเจ้าหยิบให้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือผู้รู้แจงซึ่งโลกเอาสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดทางใจมาฝากพวกเรา แต่พวกเราให้อาหารใจไม่เป็นเลยวันนี้อาตมาจะมาอธิบายเรื่องให้อาหารใจแล้วก็มาชี้ให้พวกเรารู้ว่าจิตใจเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็การบำรุงรักษาจิตใจให้ถูกทางถ้าเรา รับเอาอาหารใจหรือว่าสิ่งของที่พระพุทธเจ้าเอามาฝากพวกเราในวันนี้เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติรู้ไหมว่าพวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ถ้าเราได้ขัดเกลอกิตใจตามลักษณะของพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยถือได้ว่าพวกเราทํางาน ระดับพระนิพพานถ้าไม่ได้ขัดเกลาจิตใจอยู่เป็นนิดก็ธรรมดาธรรมดานี้เพราะฉะนั้นเราอย่ามายึดถือมากเกินไปหน้าที่การงานก็ทำไปตามนั้นส่วนหน้าที่ส่วนบุคคลส่วนตัวจริงๆคือใจ ถ้ารักษาเขาไม่ดีในปัจจุบันชาติเขาจะพาเราไปเป็นผีนะถ้าปล่อยให้เขาด่าคนอื่นอยู่ตลอดเขาจะพาเราไปเกิดเป็นเปรตก็ได้ถ้าปล่อยให้เขาอิจฉาคนนั้นคนนี้อยู่เป็นนิดเขาจะพาเราลงนรกนะ เข้ากับคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะว่ามนุษย์ตายจากการเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีนี่ ม, มากที่สุดแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดถึงผู้ที่ตายไปแล้วก็ยังไม่ได้มีเครื่องหมายชัดเจนเลยว่าคนนั้นตายแล้วไปที่ไหน แม้แต่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีเครื่องหมายเลยนะว่าตายแล้วจะไปที่ไหนแต่ถ้าถามว่าพวกเราอยากไปที่ไหนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันปิดอบายบ้างอยากไปสวรรค์บ้างอยากไปพบมาโลกบ้างแต่ขอถามพวกเราสักนิดหนึ่งว่าสร้างเหตุตรงกันหรื อ, อยัง ไม่สงสารตัวเองบ้างเหรอมาแสดงบทบาทแล้วคนโรงใหญ่สักนิดหนึ่งเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้สักนิดหนึ่งก็จะจากกันแล้วละคนก็จะจบแล้วนะ่ะแล้วจะไปกันณนะที่ใดตรงนี้น่าคิดชีวิตหลังการตายนี้เป็นชีวิตที่น่าคิดแล้วก็น่ากลัวมากที่สุด ถ้าสมมติว่าพวกเราลงไปในอบายที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้สัตว์โลกไปเกิดเลยเพราะเป็นสถานที่ได้รับทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราพลาดอ่ะถ้าเราพลาดไม่มีใครช่วยนะไม่มีใครช่วยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ นี่แหะคือพระพุทธเจ้าดิ่ง ม, มาเมืองมนุษย์ในปัจจุบันชาติก็คือมาบรรยายสาธยายให้พวกเราเข้าใจในการเบียนไหวตายเกิดเกิดแก่เก็บตายมาเรื่องนี้พระพุทธเจ้ามาเรื่องนี้นะไม่ได้มาเรื่องดูหมอดูดวงเข้าองค์ทรงเจ้าเสด็จขอต่อชะตาที่ไหนนะมาเรื่องจิตใจนี่ละ เจตนาของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นจะมาขนพวกเราไปพระนิพพานแต่พอมาถึงจริงๆแล้วโอ้โหมนุษย์นี่มันหลายระดับชั้นเหลือเกินเนะถึงได้วางธรรมะออกมาสกัดพวกเราไว้หลายอย่างเบื้องต้นก็คือสินห้าที่พวกเราอาราษนาไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งป้องกันได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นให้เราคิดให้ดีสินห้าทุกวันนี้มันหายไปไหน จินห้าทุกวันนี้มันหายไปอยู่กับพิธีรีตองทำพิธีนั้นให้เสร็จไปไม่ได้สมาทานเพื่อที่จะรักษาเลยนะไปประกอบกับพิธีสมาทานแล้วจะไปรักษานี่ไม่มีเนี่ยพวกเราเอาศาสนาวางไว้ตั้งไกลแล้วนะแล้วก็ไม่ยอมมองมุมกลับสักทีเลยว่ามันไกลขนาดไหน เพราะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเรามองธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ใกล้ที่สุดแล้วก็หยิบยกเข้าสู่การปฏิบัติของตัวเองให้เร็วที่สุดนี่คือการช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้พวกเราตกอยู่ก้นเหวแห่งกองทุกขซึ่งใครช่วยใครไม่ได้เลยผู้ที่จะ ขึ้นจากก้นเหวแห่งกองทุกได้คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าลองถามตัวเองสิว่ากำลังจะขึ้นได้หรื อ, อยังนี่คือให้พวกเราคิดคิดทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสินสมาธิปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างลงที่ใจ อริยสัจสี่ลงที่ใจธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคำสอนเป็นปรัชญธรรมหรือว่าเป็นคำสอนที่จะให้พวกเราเกิดแก่เก็บตายในวัฏจักรวัตบุญแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เกิดได้ที่ใจ เกิดได้ที่ใจพวกเราไม่ได้รักษาใจกันเลยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเบนไม่มีใครเป็นครูสอนเลยนะ ไม่มีโรงเรียนไม่มีครูเกิดขึ้นมาแต่รับรู้รับทราบทั้งเหตุและผลทุกคนก็รู้ว่มามันไม่ดีแต่ก็ต้องใช้ พระพุทธเจ้านี้สั่งเด็ดขาดเลยนะโลภโกรธหลงอิจฉาพัจบาทอาฆาตจองเวนเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ดีนะเป็นบ่อเกิดแห่งความชิบหายทางใจและบัตตะเมื่อเกิดขึ้นมาในเมืองมนุษย์แล้วต้องเจอเพราะฉะนั้น เมื่อเจอแล้วอย่าพา ก, กันใช้นะพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราเนะี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องใช้หรือว่าไม่ใช้ซะเลยดีมากแต่พวกเราก็สู้อำนาจเขาไม่ได้ไงมึงด่ากลัวเอาแล้วนี่มันเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้น ให้พวกเราทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ให้ท่องแท้เรื่องของใจทีนี้เรื่องของใจเดี๋ยวนี้จิตใจของพวกเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้จิตใจมาอาศัยอยู่ในร่างกายอาศัยชั่วคราวนะไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างมาตรฐานเลยนะอาศัยชั่วคราว เพราะอะไรเหรอเพราะโลกแห่งความหลอกลวงใบนี้ไม่เคยมีความจริงจริงๆเลยว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เป็นอมตะตลอดไปไม่มีถ้าเป็นลักษณะนี้พวกเราถูกหลอกทุกวินาที พวกเราถูกหลอกอยู่ทุกวินาทีนอนหลับอยู่มันก็หลอกอยู่ทุกวินาทีเพราะไม่มีแต่สิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคืออะไรคือธรรมะกับใจใจของเรามาอาศัยอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่ามันจะแตกวันไหนถ้ามันแตกดับลงไปแล้วเรายู่ไม่ได้ เมื่ออยู่ไม่ได้แล้วจะไปไหนถ้าอยากรู้จุดหมายปลายทางให้เข้าไปหาใจเดี๋ยวนี้ใจมันอาศัยอยู่ในร่างกายสิงอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแต่เขาส่งกระแสออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกตลอดเวลาไปหาเพื่อนหนาะุ้งหาสิงในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนพอสมควรนะ สัญญาอารมณ์เขาไปอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราจะปล่อยให้เขาเสพอารมณ์อย่างที่เขาเคยเป็นอยู่เนี่ยเขาจะไรคุณภาพนะเขาจะไม่มีคุณภาพจิตใจที่ไม่มีคุณภาพจะต่อสู้กับอำนาจของความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทไม่ได้เลยหยุดไม่ได้เลยละไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า สอนให้พวกเรามาห่างไกลจากพวกนี้แต่พวกเราก็ใช้กันอยู่นะใช้กันอยู่นะอย่าไปใช้นะถ้าใช้มากเท่ากับส่งตัวเองลงนรกนะด่าเช้าด่าเย็นนี้เท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองนะเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยเป็นของฝากที่มีราคามาก สสมาธิปัญญาก็เข้ามาหาที่ใจทีนี้เราจะบำรุงรักษาจิตใจอันนี้ให้มีพลังขึ้นพลังขึ้นมาใครเรียนหลักสูตรของหลวงพ่อบิลิยังบ้างนี่พลังจิตตานุภาพเอาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะ จิตใจไม่มีพลังมันก็เหมือนเด็กอ่อนนี่แหละมันก็เหมือนเด็กสมมุติว่ามันเห็นคนหนุ่มคนสาวแบกกระสอบข้าวสารมันก็รู้นะมันก็อยากจะเอาเหมือนกันแต่มันเอาไม่ได้เพราะอะไรไม่มีพลังมันอยากจะแบกเหมือนกันทีนี้จิตใ จ, ใจ มารู้ตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าโลภโกรดงอิจฉาพยจบาตนี้ไม่ดีนะแต่ก็ละไม่ได้เพราะอะไรไม่มีพลังเพราะฉะนั้นพวกเราสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นด้วยการทำให้จิตใจเป็นสมาธิจะทำยังไงวิธีที่ จะทําให้จิตเป็นสมาธิเนี่มีวิธีหลายอย่างวันนี้คงจำกเวลาคงจะไม่พอเพราะเรามีเวลานิดเดียวอาจจะมาพูดมาเกือบสี่สิบนาทีแล้วจิตใจนี่ถ้าปล่อยให้เขาเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกเขาจะไม่สามารถเป็นสมาธิได้ยิ่งเสพ ย, ยิ่งหิวยิ่งเสพ ย, ยิ่งอยากกินยิ่งเสพ ย, ยิ่งเล การท่องเที่ยวเสพอารมณ์รู้ไหมว่าเราสร้างบาปสร้างบุญไปด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่ามโนกรรมก็คือเกิดทางใจสมมุติว่าเราส่งกระแสไปอิจฉาคนนั้นมันก็เป็นบาปขึ้นมาแล้วนะแต่น้อยนักน้อยหนาจะส่งกระแสออกไปที่เป็นบุญอันนี้เราไม่เอาแล้วเราตัดเข้ามาเพื่อที่จะให้จิตเป็นสมาธิ จิตที่จะเป็นสมาธิได้คือจิตอยู่ในกายอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิของแต่ละครูแต่ละอาจารย์ถึงเป็นวิธีการที่อยู่ในกายอย่างเช่นดูลมหายใจบริกรรมพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังนี่คือ เอาพวกเนี้ยเอาพุโทโธเอายุบหนอพองหน้อนี่เป็นเหยื่อรอแต่เราไม่ใช่ว่าจะเอาเหยื่อนะเราต้องการรอดจิตใจให้อยู่กับกายทีนี้มันถึงเกิดการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลับตาบ้าบออยู่คนเดียวมันไม่ใช่ การทำสมาธิคือการมาต่อสู้กับตัวเองนั่งแพ้ยอมไปแล้วก็ดึงมาดึงมาดึงมาอยู่เรื่อยๆดึงมาอยู่เรื่อยๆรู้จักสึกว่าออกก็ดึงมาดึงมาดึงมาตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายอันนี้ถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรม พวกเรานั้นคือไปจะปฏิบัติธรรมวัดนั้นจำนักนั้นจำนักนี้นุ่งขาวหงษ์ขาวเดินกระเลกเกกากอตามลานวัดมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือการที่จะเข้าเป็นนกตัวเองให้กองลงกับพื้น่ะถ้านกตัวเองลงไม่ได้แล้วอย่าได้คิดเลยอย่าได้คิดเลยต่อสู้กับอารมณ์นี่แหละ ต่อสู้กับอารมณ์ด้วยการกำหนดกาหนดกาหนดกาหนดให้รู้เป็นจุดเป็นจุดรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ทำอะไรก็รู้อยู่ทำงานอยู่ในนี้ก็รู้อยู่รู้อยู่เขามีจุดของเขาอยู่นะถ้าได้จุดได้ชั่วโม ง, ขงเขาเขาก็จะขาดจากอารมณ์ขาดแล้วนี่ขาดเลยแล้วไม่มีเกย้อนกลับมาอีกนะขาดแล้วขาดเลยครั้งเดียวจบ จบเลยแต่ต้องทำอยู่เรื่อยๆนะรู้ว่าเขาไปดึงมาดึงมาแต่ละครั้งกำหนดจนนานมนุษย์ที่เร้ ว, ว่าเขาออกไปดึงมาดึงมาอันนี้ก็จะถีเข้าถีเข้าด้วยการฝึกฝนอบรมของตัวเองคนที่มีศรัทธาเนะี่ยเขาทำอะไรเขาก็มองใจของเขาไปด้วยสุดท้ายเขาก็เข้าสู่ความเป็นสมาธินะ คนที่ไม่เคยมีทุนเก่าของเก่าก็ต้องบังคับตัวเองฝึกฝนตัวเองให้หนักมือขึ้นไปจิตใจนี้ก็จะถีเข้าสติก็จะมีพลังขึ้นแล้วดึกได้ถีเข้าถีเข้าถีเข้าสุดท้ายนี่ขาดจากอารมณ์เมื่อจิตขาดจากอารมณ์แล้วเราไม่ต้องไปยึดไปต้องไปกำหนดอะไรทั้งสิ้นเลยเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลา มันจะมีสิ่งเครื่องหมายอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นส่งออกมาให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้อยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดกลับออกตรงนั้นถามว่าถึงนี้ถึงตรงนี้เป็นสมาธิหรืออย่างอย่างการที่ตัดอารมณ์มาตั้งไว้ที่ฐาน ถามว่าคิดได้ไหมคิดได้ใครมาถามอะไรก็คิดที่คิดไปเสียให้มันจบแล้วก็ดึงเข้ามาแต่ถ้าเขาขาดจากอารมณ์กลายมาเป็นสัมปชัญญะเนี่ยคิดได้ไหมคิดได้เขาจะเป็นอัตโนมัติของเขาเลยสมมุติว่ามีคนมาถามเรื <Beyond foreign learners> tobacco, ่องนั้นนึ่นี้เขาก็จะโชโชโชโชโชโชโชไปพอจบเรื่องนั้นเขาก็จะรับเข้ามาตรงนี้เป็นความรู้สึกตัวอยู่ตลอด นี่คือขาดจากอารมณ์จยางมาตรฐานที่นี้ถามว่านานไหมเขาถึงจะเป็นสมาธิไม่นานใช้เวลาไม่นานนะ้าจะมาตั้งไว้หนึ่งอาทิตย์อ่ะถ้าใครมาถึงตรงนี้หนึ่งอาทิตย์ต้องเจอความเป็นสมาธิห่าใหญ่เลย ถ้าถึงตรงนี้นะถ้าถึงตรงที่ว่าขาดจากอารมณ์อย่างมาตรฐานให้เวลาอาทิตย์หนึ่งเขาจะไม่มีขาดแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นสัมปชัญญะนี่เขาจะไม่มีลืม เขาจะรู้รู้อยู่ตลอดทีนี้การที่จะเป็นสมาธิของเขาเขาจะแสดงออกทางร่างกายในความรู้สึกของเราคล้ายๆกับว่ามีอะไรมาติด มันจะหมุนฮะอาการาย้อนกลับมานิดหนึ่งอาการของจิตขาดจากอารมณ์เขาจะเกิดอาการเบานะถึงจะรู้บ้า จิตใจกับอารมณ์นี่เขาหนักมากเบาขนาดไหนเบาขนาดที่ว่าหอะได้เลยหอะได้เลยแม้จตเดินอยู่กับพื้นเนี่ยยกเท้าสูงไม่ได้เขาจะลอยไปเลยนี่คืออาการของจิตขาด จากอารมณ์อย่างมาตรฐานมันจะพิเศษขนาดไหนถามว่าอันนี้เป็นสมาธิไหมยังแต่ได้ริมรสชาติของความสุขที่แท้จริงแล้วมาถึงตรงนี้นะทีนี้รอการเป็นสมาธิอาจาะมากำหนดให้หนึ่งอาทิตย์เอาทุกคน อันนี้นานที่สุดอะเรานี่ไม่ถึงสามวันคนที่นั่งอยู่นี้ถ้าปฏิบัติมาถึงนี้หนึ่งอาทิตย์ต้องเป็นสมาธิหาใหญ่แน่นอนทีนี้การที่เขาจะเป็นสมาธิเนี่ยเขาจมุนเหาะได้เลยนะจะบอกให้พระปฏิบัติอยู่ด้วยกันนะเขาเหาะอยู่ทุกคืนนะ่ะเหาะอยู่ทุกคืน เพราะฉะนั้นพวกเราของที่มีคุณค่าพระพุทธเจ้าเอาอมาฝากในพวกเราเอาไปวางไว้ตรงไหนเอาไปตั้งไว้เป็นแจกันโชว์อยู่หน้าบ้านก็รีบหยิบออกมาเข้าสู่การปฏิบัติของตนเสียถ้าจิตจะเป็นสมาธินี่ยเขาจะมุนหมุนไม่ต้องตกใจถ้ามีอากา ร, ปรแปลกๆเกิดขึ้นให้ไปนั่งสมาธิเลย นั่งสมาธิพุบลงไปแล้วเขาจะเป็นสมาธิพรวดเดียวเลยนะถึงอั ป, ปนาสมาธิเลยสว่างโล่เลยนี่อาจจะมาเอามาฝากพวกเราเนี่ยคือจะไม่อยากให้ใช้เวลานานแล้วก็ตัดบริกรรมพุทโธออกไปตัดรวมๆหายใจออกไปเข้าไปหาผู้รู้เลย ิถึงอัปปนาสมาธิถอนขึ้นมาที่นี้ลักษณะอาการรู้ตัวอยู่ตลอดเขาก็ไม่เสียอารมณ์อยู่แล้วไงถ้าจิตเข้าไปถึงความเป็นอัปปนาสมาธิเต็มภูมิเนี่ยมันหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจุดพลังอำนาจใช่ไหมแต่ของเรานี้เราจะใช้คาส่วนตัวว่า จุดเปลี่ยนเข็มทิศทางใจเขาเคยเสพอารมณ์ที่เขาเสพมูดเสพกูดอยู่อ่ะเขาจะหมุนเข้าสู่เสพธรรมะอย่างเดียวจิตที่ผ่านการเป็นสมาธิออกมาเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของใครผู้ใดสิ่งใดในนั้นเลย แต่ล ะ, ละวันละวันละเวลาเขาจะมีเรื่องของเขาอยู่จุดเดียวเท่านั้นการที่เขาจะหิวโหยในอารมณ์นั้นๆไม่มีสมาธิคือจุดอิ่มตัวของใจอารมณ์กรรมมรรคห้านี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยกระจุยดุยเหลกเลยจะบอกให้นี่ถึงถือได้ว่า ผู้บำรุงรักษาใจผู้ให้อาหารทางใจได้ถูกต้องแล้วพวกเราไม่สงสารตัวเองเหรอในวันเวลาเดียวเราอาจจะเป็นหลายสิบอารมณ์ก็ได้นะบางทีก็รับอารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามา เขาก็มาทำลายเรานี่แหละบางทีก็รับอารมณ์ที่พอใจเข้ามาเขาก็มาทำลายเรานี่แหละอารมณ์เหล่านั้นเป็นลักษณะอาการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจได้รับความโกรธมาจากไหนไม่รู้มดดาเฉาะๆอยู่ตรงนี้ก็มีนะคือมันสำคัญที่การ รับอารมณ์พอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็ทิ้งไปมองที่ฐานให้บ่อยๆจิตที่ผ่านการเป็นสมาธิสมควรแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นวิปัสนาความเป็นวิปัสนาทําไมถึงมีความเป็นวิปัสนาจิตใจอันนี้เขายึดมั่นถือมั่นทั่วโลกธาตุ เขามีรูปยังไม่พอนะยังมีเวทนามีสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้ากายเข้าลิ้นเ ข, เข้ากายเข้าใจก็มารวมลงที่ใจใครเป็นทุกข์สิ่งที่ทาให้เราทุกไม่เคยมีรูปแบบในทางใจเราปรุงเองแล้วก็จินเอง เสพเองรับความเป็นทุกข์เองสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ไม่มีตัวตนทำไมเราจะค้นคว้าไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติหนึ่งสติสองจิตสามปัญญาตลอดจิตเล็ดเข้าหูเข้าตาไม่มีสิ่งที่มีตัวตนทั้งนั้นแต่หารู้ไหมว่า ถ้าปฏิบัติกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนทั้งหลายนี้ด้วยความถูกต้องตามศีลตามธรรมจิตดวงที่ถูกปฏิบัตินี้เขาจะพลิกไปเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาเลยความสุขที่แท้จริงต้องมาคนตรงนี้จิตยึดมั่นถือมั่นจุดแรกที่เขาหลงคือ ตัวของเราเองที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะยังรากยึดมั่นถือมั่นมากที่สุดซึ่งเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีตาโรคตาก็มีมีตับมีไตมีอะไรโรคอาศัยร่างกายอันนี้นะ่ะแสดงตน แต่เขาก็ไม่ได้จงใจว่าจะทําให้เราเป็นทุกข์นะตลอดถึงความเจ็บความปวดเวทนาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องของเขาเลยเขาก็ทําหน้าที่ของเขาด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะทําไม่มันถึงมากระเทือนถึงใจเราก็จิตใจเรานี่สรงสายสัมพันธ์ยึดมั่นถือมั่นลงไปมันถึงได้ กระเทือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ร่างกายก็เฉพาะร่างกายจิตใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งเมื่อร่างกายส่วนหนึ่งแล้วเวทนาเป็นใครก็ส geography. ่วนหนึ่งแล้วคนนั้นเป็นใครก็ส่วนหนึ่งคนนี้เป็นใครก็ส่วนหนึ่งแต่ความยึดมั่นถือมั่นพุ่งออกไปทำยังไงจะให้เป็นวิปัสสนาจริงๆความเป็นวิปัสสนาจริงๆก็คือ กำหนดลงที่กายนี้และจุดแรกที่เขาหลงนี่แหละอ่าร่างกายอันนี้คือใครมองเข้าไปแล้วก็ตั้งหลักของตัวเองว่าเรามาอาศัยอยู่เฉยๆนะทุกคนในโลกนี้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เฉยๆเมื่อถึงมันแตกหนับแล้วก็จาเป็นต้องไปแต่ก่อนจะไปเนี้ยขอให้รู้เรื่องกันเสก่อนเถอะ ก็มาลงที่กายเอยึดลงไปกลายเป็นจิตหรือจิตเป็นกายอารู้กันตรงนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้เวลามันเจ็บมันปวดขึ้นเนี่ยเอาเวทนาเป็นใครเวทนานี้เกิดขึ้นกับต้นยางตุ้นยุงได้ไหมไม่ได้ต้องเกิดขึ้นที่กาย ความที่เขาเกิดขึ้นเขาตั้งใจจะทำความเป็นทุกข์ให้กับใจเหรอไม่ใช่เขาเกิดตามธรรมชาติของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเวทนาเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดยัง ไ, ไงไปยังไงตัวเจ็บอยู่ที่ไหนก็ตัวเจ็บคือจิตไปยึดเองยึดเพราะมันมีสายอยู่สายสัมพันธ์สื่อสารสัมพันธ์กันอยู่ทายัางไงเราจะตัดสายนี้ได้ ความเป็นวิปัสสนาของเราเนี่ยต้องเน้นลงไปด้วยการกําหนดเวทนาก็ไม่ใช่จิตนะจิตก็ไม่ใช่เวทนานะแต่เพราะความเก็บความปวดอยู่นี้จิตเองไปเป็นเจ้าบงการของเขาว่าเป็นเราทำยังไงอ่ะร่างกายก็เหมือนกันคนที่เป็นเพื่อนเราก็เหมือนกันคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็เหมือนกัน ร่างกายอันนี้เขาก็เป็นเครื่องถ้าพูดตามรูปแบบก็คือก้อนบุญจากอดีตชาติอ่ะสร้างบุญมาได้ร่างกายอันนี้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะหมดไปเมชนาก็อาศัยร่างกายอันนี้ทำงานถ้าไม่มีร่างกายอันนี้เราไม่รู้จักเมชนาเลยรู้จักแต่ดาวร้อนอ่อนแข็งเมชนาความเก็บปวดนี้เราจะไม่รู้ ใกล้ขนาดนี้รู้ไม่ได้ละไม่ได้นะต้องรู้เวทนาอันนี้เราต้องกําหนดสอนของเราอยู่จริงๆตั้งหลักความจริงไว้เลยคือพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่แน่นอนร่นางกายอันนี้ก็ไม่ใช่เราแน่นอนเป็นธาตุสี่เฉยๆเวทนาก็ไม่ใช่เราแน่นอนถ้าเรากําหนดอยู่ตรงนี้แล้วเรากําหนดลงไปทีนี้ถ้าเราตั้งไว้อีกตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกําหนดลงไป มองความไม่เป็นเรามองความเจ็บแล้วก็มมองจิตมองความเจ็บแล้วก็มองจิตแล้วก็ ม, มองกายเอากลับไปกลับมาถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะหดตัวเข้ามาถ้าจิตหดตัวเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนละส่วนเลยเดี๋ยวนี้จิตยังรากลงไป อย่างลากลงไปท่านนอกกายของเราเอามีคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องบ้านบ้างรถบ้างที่เรากำลังพัวพันกันอยู่เขาจะมาอยู่ที่ใจนี้หมดความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามองตรงนี้เขาก็จะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามา <laughs> ถ้าจิตถ้ามันได้หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาแล้วเขาเรียกว่า แยกกายแยกจิตแยกเวทนาไม่ใช่ว่าดึงออกมานะเขาอยู่ในนั้นแหละแต่ความยึดมั่นถือมั่นเขาจะไม่มีหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถ้าหดตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิต ด, ดวงนี้เขาจะมีความเป็นอิสระภาพของเขามากที่สุดเขาจะมีความพิเศษของเขามากที่สุดมากขนาดไหน ขนาดที่ว่าในโลกมนุษย์นี้ไม่มีสิ่งที่จะเอามาเปรียบเทียบให้พวกคุณได้ฟังได้ว่าเขามากขนาดไหนขอให้ทุกคนเข้าไปเจอกันเองนะแล้วจะไปต่อกันตอนไหนภาคสองจนเห็นจิตใจของตัวเองอย่างความเป็นจริงเห็นจิตใจของตัวเองล่องหนแบบ ไม่มีขอบเขตไม่มีสมมุติบัญญัติอยู่ในนั้นไม่มีชายไม่มีหญิงอยู่ในนั้นถ้าจิตใจเข้าถึงที่สุดของจิตใจนี้จะไม่มีสมมุติบัญญัติอยู่ในนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเรานึกไปถึงภาคใต้ก็จะไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้านึกไปถึงภาคเหนือก็จะเชียงใหม่เชียงรายถ้าภาคกลางก็จะกรุงเทพเป็นหลักแต่ ถ้าออกนอกจากวัตตะไปแล้วไม่มีนะมันเป็นจักรวาลมันเป็นดินแดนแห่งอมตะธรรมมันเป็นจักรวาลมันเป็นอันนั้นถึงจะถือว่าเป็นนิรันดร์จริงๆนะเพราะฉะนั้นโลกของมนุษย์ถึงจะมีมากทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็เป็นสิ่งก่อให้เกิดกิเลสทางใจผลักดันให้พวกเราบิ่งตามเพื่อที่จะต่อพกต่อชาติไปเรื่อยๆเอาเฉพาะจำเป็นสุดท้ายให้พวกเราเข้ามาหาใจพวกเราจะเจอความสุขที่แท้จริงนะ สรุปแล้วก็คือให้พวกเราเป็นผู้รักษาใจให้อาหารใจให้ถูกวิธีเราก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐก็คือใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเขาจะไม่มีสิทธิ์ลงไปเลยนะนรกเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการเกิดเป็นเปรตเป็นผีเลยนะเขาจะมุ่ง สู่ความเป็นพระนิพพานอย่างเดียวความสุขอันนั้นบรรยากาศอันนั้นไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์แม้แต่นิดเดียวเลยนะไม่มีบรรยากาศตรงนั้นไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์อย่างนี้ถึงจะถือว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาการคำเทศคำสอน นับตั้งแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาถึงคําสอนของครูอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านเป็นเครื่องชี้ทางเฉยๆนะถ้าพวกเราเข้าถึงทะเลธรรมกันจริงๆแล้วอันนี้ก็หมดความหมายนะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็หมดความหมายคําเทศของครูบาอาจารย์ก็หมดความหมาย ฟังเทศแต่ละครั้งคือความเข้าใจความเข้าใจก็คือการดีดระดับของจิตใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีความเข้าใจอ๋อมันก็จะไปของมันเองพวกเราอะมีครูอาจารย์อย่างน้อยๆก็สิ่ดีของครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเข้าไปกระตุ้นให้พวกเรามีกำลังใจในการปฏิบัติก็วักข์ขอดพากัน บ้ายพระสวดมนต์แล้วก็เปิดฟังอยู่บ่อยๆการได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆนี่แหละคือการทำให้จิตผ่องใสอะ